คุณตู่พร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณตู่ปัจจุบันนี้อายุ30ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวของอุทาหรณ์ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้จากปากของคุณตู่กันครับสวัสดีครับคุณตู่ครับสวัสดีครับคุณตู่ตอนนี้คือโทรมาจากที่จังหวัดเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอากาศเป็นยังไงบ้านตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็ กลางวันก็ร้อนมากครับกลางคืนก็เย็นๆ็นครับกลางวันร้อนมากเนาะโอ้ที่เชียงใหม่ก็แปลกนะต่อให้เป็นหน้าหนาวอย่งี้ยก็ตามแต่กลางวันก็ยังคงอากาศร้อนอยู่เนาะครับนะฮะจะร้อ น, นจะร้อนกว่าฤดูอื่นด้วยใช่ใชก็แปลกใจเหมือนกันเพราะผมปกติเนี่ยจะมีโอกาสไปเชียงใหม่ช่วงฤดูหน้าหนาวเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะโอ้กลางวันกับกลางคืนนี่คนละเรื่องจริงๆริอะครับเหมือนอยู่คนละเมืองคนละจังหวัดเลยอะใช่ครับนะฮะมาคุณตู่แล้วตอนนี้เนี่ยครับฟังเดอดช็อกอยู่ใครครับเนี่ย ก็ฟังอยู่คนเดียวครับฟังอยู่คนเดียวแล้วติดตามรับฟังเป็นประจำไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังฟังบ่อยแต่ก็เป็นช่วงเวลาตอนจะนอนจะฟังบ่อยบ่อยมากบ่อยมากนะครับพูดง่ายๆคือเป็นเป็นนิสัยเลยคือจะฟังฟังตลอดครับเป็นเพื่อนกันก่อนนอนเนาะฟังแห้งครับได้เลยครับขอบคุณมากคุณโตมาว่าหนึ่งเรื่องนี้ครับประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองบ้านหลังหนึ่งนี่คือบ้านที่พักอาศัยอยู่ณปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับ คือเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนผ ม, มซึ่งแล้วแล้วคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่พวกผมคุยกันในกลุาา่มครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขากับผู้ที่รองรับไปแล้วคือผมมันเป็นเรื่องที่พวกผมคุยกันว่า ม, มันอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่ า, า, าซึ่งทาให้เป็นเหตุที่ทำให้พวกเขาอ่ะืต้องต้องมาจบชีวิต อะไรอย่างเงี้ยครับครับจะยินครับอ่างั้นลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงเชิญเลยครับครับก็คือมันมีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเกิดขึ้นนะครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะคือผมผมก็ก็ต้องขออนุญาตทางถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหรือว่ามีญาติของผู้ที่เสียชีวิตไปได้ฟังด้วยก็ก็ขออนุญาตนาเรื่องตรงเนี้ยมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ สำหรับคนที่คิดที่จะที่ที่สะสมของพวกของขังของ อ, อะไรต่างๆซึ่งซึ่งมั น, ม, นมันอาจจะเป็นทั้งดีและไม่ดีกับตัวกับตัวผู้ผู้ที่สะสมของพวกนี้ uh huh. นะครับคือผมจะเล่าก่อนว่าคือเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยมผมว่าก็ต่างคนก็ต่างไปทำงานกันต่างปกติแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ ปกสะสมเล่นพระเครื่องอะไรเงี้ยสะสมของอะไรเงี้ยครับไปแล้วทีเนี้ยก็บางครั้งก็มาหากันมาที่วัดกันเขาก็มาจะมาคุยโม้อ่ะเออเนี้ยไปได้ขออันนี้มาไปได้งาช้างมาไปได้อะไรมาอะไรเงี้ยอืออ่าแล้วที่เขามาคุยกับผมส่วนตัวคือเขาบอกว่าเขาไปได้พวกมีดหมอมาอเนะี่ยมีดหมอนะสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ย ค, คือคือมัน ผีได้อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะอ่าเขาเขาก็มาคุยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจคือเขาก็อาจจะเขาก็รู้เรื่องของเขาแต่ผมไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรตรงนี้ครับแล้วก็ทีเนี้ยก็นานนานมาสามสี่ปีห้าปีก็เพราะผมก็ไม่ได้สนใจไงเพราะเขาก็ใช้ชีวิตปกติของเขาคือเขาก็ไปส่องพระอะไรอย่างเงี้ยด้วยที่ใส่ของเขาด้วยชีวิตของเขาอ่าเขาก็ ตรงนี้ไปผมก็ไม่ได้ไปสนใจว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นดีหรือไม่ดีนะครับเพราะผมเพราะไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้ด้วยอครับอ่าเป็นเป็นส่วนตัวอยู่ละครับอ่าแล้วทีเนี้ยคือว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยออออืเคือทางเหนือเนี่ยเขาจะมีจะมีอเขาเรียกว่าการที่เรียกผู้ที่วิญญาณวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาคุย ด้วยการผ่านสื่อจากล่างทรงครับจากล่างทรงด้วยการเขาเรียกว่าลงขอนเรียกว่าอะไรนะครับล ง, ลงขอนลงขอนอ่าใช่ใช่ขอนนะครับขอไข่อ่าหางนกอ่าฮะครับลงขอนไม่ใช่ลงของ น, นะอ่าฮะอ่าครับแล้วก็เหมือนกับเขาก็สื่อสารว่าเนี่ยทำไมถึงไปทำอะไรมาหรือไงเขาก็บอกว่าเขาไปเอาไม้ตะเคียนมา ซื่งด้วยทางเหนือแล้วเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นหลายๆพื้นที่ด้วยก็ตามด้วยความที่ว่าไม้ตะเคียนเนี่ยมันเป็นไม้ที่มีความมีความอาถรรพ์อะไรต่างๆอยู่แล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่พาเข้าบ้านอืมเขาจะเขาจะเอาไปไว้วัดต่างไปไว้ที่ที่แบบที่จะสามารถไว้ของพวกนี้ได้อืมนะครับแล้วก็คือแล้วทีเนี้ยพผมก็มา เขาก็แบบประมาณว่าญาติญาติของเขาเนี่ยก็บอกว่าแล้วทําไมไปเอามาอะไรเนี้ยคือด้วยพวกผมก็คุยกันว่าอือ huh. อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยครั้งที่เขามีของเขามีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาเขาก็เลยไม่กลัวออืเขาไปท้าทายเขาไปท้าทายด้วยอะไรเงี้ยออื huh. แล้วไปกันแล้วไปกันเป็นกลุ่ม oh. ซึ่งแฟนของเขาเนี่ยก็ได้เตือนแล้วว่าอย่าไป huh. อย่ไปเอามามันเป็เหี้ยอะไรเงี้ย แต่เขาคงคิดว่าเขาไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับแล้วก็แต่ทีเนี้ยเขาอะในกลุ่มเพื่อนที่เขาไปที่ที่บ้านของแฟนเขาเนาะเขากับหนึ่งในนั้นน่นะก็ได้เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งหนึ่งรายครับแล้วเพื่อนผมเป็นรายที่สองครับเพื่อนผมเป็นรายที่สองแล้วทีเนี้ยมันยังมีอีกหลายคนไงอตอนนี้ก็ยังก็ยังรอดูอยู่ว่า เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า อ, นะอย่างเงี้ยครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่เขาอ่ะจิตจิตของเขาอาจจะไม่สามารถจะสู้กับของพวกนี้ได้ล่ะฮะงั้นงั้นผมขอถามสาเหตุการเสียชีวิตของเพื่อนหน่อยได้ไหมครับแต่ละคนเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรครับก็ <c oughs> ในทางวิทยาศาสตร์นะครับคือทางพิสูจน์หลักฐานเขาก็แจ้งมาว่าเขาอ่าอืคือที่บ้านเขาเพิ่งไหม นะครับ mm hmm. แล้วก็ด้วยด้วความที่ว่าคือวิทยาศาสตร์เขาแจ้งว่าไฟฟ้าลับูจรเป็นเหตุให้เพลิงไหม mm hmm. อ่าแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะออกมาไม่ทัน mm hmm. เขาหนีออกมาไม่ทันครับครับครับแล้วทีเนี้ยคือก่อนหน้านี้มีมีน้องสาวน้องสาวเ mm hmm. ่งทำงานอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งเนี้ย mm hmm. เขาก็ mm hmm. ประมาณว่าเออเนี้ยพี่เดี๋ยวหอบ ทำงานครึ่งวันนะเดี๋ยวครึ่งวันเขจะไปงานงานศพซึ่งจะจะเผาวันนี้แหละอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็จู่ๆเขาพี่คนนั้นเขาก็แบบประมาณว่าน้องเพื่อนน้องที่จะไปเนี่ยคนสองผิวสองสีหรือเปล่าอออืืน้องผมก็ใช่เป็นคนทมทว ม, ม์ใช่ไหมก็บอกว่าใช่ออืมืมตอนเนี้ยเขา เขาก็ประมาณว่าเขายังไม่รู้นะว่าเขาเสียชีวิตอะไรเนี้ยคือเรื่องนี้เขาเล่ามานานแล้วนะครับอืแล้วเล่าเล่ามาได้สัองสาวันนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้ของที่เขาไปเอามาเนี่ยออืกดเขาไว้อยู่คืาทำให้เขาออืทําให้เขารู้ว่าครับทำให้เขาอ่ะอืไม่รู้ตัวเองว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วอืครับแล้วก็เขาก็แบบหวังว่า ยังหาทางที่จะออกไปจากตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วยให้เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยกวดน้ําให้เขาดับความร้อนให้เขา อ, อะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละคือสิ่งสิ่งที่ผมจะมาคุยวันนี้อาจจะไม่อาจจะไม่น่ากลัวแต่แต่ผมเป็นฝากเป็นเรื่องอทาหอนจับผู้ฟังเพือ่อนๆหลายๆคนที่ฟังโดยช็อกในวันนี้หรือว่าฟังทีหลังฟังย้อนหลังก็ตามออคืออยากจะบอกว่าสิ่งต่างมัน มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ให้คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราหรืออาจจะส่งผลเสียกับตัวเราก็ได้ใชซึหครับอย่างประเทศอย่างประเทศทำคุณใส่ทาใส่คนอื่นบางซีของมันก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนผู้ฟังทุกชาติด้วยเง้นตู้เรามา กลับมาบที่เรื่องก่อนนะก็คือคเพื่อนนะฮะเพื่อพูดง่คือใช้คําว่าพูดจาไม่ดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนที่ไปทําพิธีกันนะวันนั้นใช่นะฮะแล้วตอนนั้นตอนนั้นที่ไปกันมีทั้งหมดกี่คนครับอืมผมผมไม่ได้ไปกับเขาเขาไปกันท<ม>ั<ม>้งหมดกี่คนครับเขาผมไม่แน่ใจครับว่าไปกี่คนแต่แต่ไปอยู่กลุ่มหนึง่งอืมซึ่งเรไม่ไม่รู้ว่ากี่คนแต่ณตอนนี้คือมีเสียชีวิตไปแล้วสองคน นครั บ, บกับเหตุการณ์ที่ตู่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะ<ช>การกระทํำณวันนั้นใช่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าณตอนนี้คือมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วอีกกลุ่มที่เหลือและครับทุกคนเขาทํากันยังไงตู่พอจะทราบทราบให้ฮะว่าเอะที่เหลือเขายังไงกันอะไรไงมีใครไป <ผม S 1> ทําบุญไปขอขมาลาโทษหรือไปทําอะไรกันบ้างไหมครับผมคิดว่าในในกลุ่มนั้นเขาคงจะเริ่มเริ่มเริ่มคุยกันแล้วครับว่าจะหาวิธีแก้ยังไงออืเพราะว่า ในในพื้นที่ที่เขาไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งพวกผมพวกผมไม่เคยไปอืมพซึ่งเป็นบ้านของแฟนเขาอืครับใช่แล้วก็เขาก็เหมือนกับเนี่ยประเภทแบบสะสมของอ่ะที่เข้าใจไหมคือคนคนมีหาของสะสมพวกแาช้างหักอะไรพวกเนี้ยพวกเครื่องลังของขังเครื่องอาถรรพอะไรพวกเนี้ยอืมครับมันก็จะมีสายขาวสายดาใช่ไหมพี่อือ่ามันก็ ไอ้สายเขากขาทำมาอะไรเนี้่แต่ที่นี้เขาเป็นเปลี่ยนประเภทแบบเนี้ยอืซึ่งผมคิดว่าสิ่งเนี้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้อืแต่ผมไม่ได้พูดร้อยเปอร์เซนต์นะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเขาเพราะสิ่งนี้อืมก็เราก็เป็นคการ <c oughs> คาดเดาซึ่งจริงๆแล้ว <c oughs> <ช>อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวของอุบัติเหตุจริงๆก็ได้ใช่ครับอืมนะฮะโอเคอาจจะเป็นจุ อาจจะเป็นเรื่องปัตรเงินจริงๆก็ได้แต่สิ่งที่พวกผมไปกลุ่มพวกผมมาคุยกันว่ามันมันเป็นแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันมันไปทําแบบนี้หรือเปล่าเขาไปทําแบบนี้หรือเปล่าเลยทําให้เลยทําให้พวกเขาต้องมาจบแบบนี้แบเนี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ต้องคาดเดากันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็คงอยากจะต้องบอกให้คนที่ยังคงเหลืออยู่เนาะก็อาจจะใครคิดว่าเป็นสิ่งนั้นก็ต้องไป เขาเรียกต้องไปขอเขามาไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้หรืออะไรเพื่อให้มันจักจากดักเป็นเบาลงมาก็ได้นะก่อนหน้านี้ผมก็หยุดทูบแล้วผมก็บอกเขาว่าขอเรื่องขอเรื่องมาเล่านะเว้ยผมก็ผมไปเชเพื่อนสนิทผมนี่แหละออืนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะโตครับกับสิ่งที่ไปได้ยินได้ฟังมาครับโอเคครับนะฮะขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะผมครับผมครับผมสวัสดีครับ